บท 2, บที่1อัลบากอรอผ้าพิลินั่นนับบทอัลบากอรอบทอัลบาคบอาครอเป็นบทมาดามิยะมี286องค์การถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านอนับดุลัมมัสซัลลัลฮฺวะไลยุสัลสลัมได้อพยพไปอยู่ที่นครมดีนาแล้วเป็นบทที่ยาวที่สุดของอัลกุรอานในบทนี้มีสาระที่สําคัญพอสรุปได้ดังนี้เรื่องอะฟิดะ หลักศรัทธาเชื่อมัน่นการให้เอกภาพต่อระองเรื่องอิบาร์ดาเช่นการละหมาดการถือสิโลตการบริจาคหลัการและการประกอบพธิธีฮัจเรื่องสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันเรื่องจรงิยธรรมและมัญยาาต่างๆที่ควรปฏิบัติเรื่องการแต่งงานการอย่าร้าง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 ต่อมาพระองค์ได้กล่าวถึงการบังเกิดมนุษย์คนแรกคืออาดัมอะไิสระและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอาดัมต่อจากนั้นพก็กล่าวถึงเรื่องราวคำพีหรือที่เรียกเป็นภาษาอารบว่าอะฮุกิตะโดวยกว่าอย่างยี้ระวังวันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือวันโลกาทีนห้าวันสิ้นโลกโดยพระองค์ได้เรียกร้องให้ทุกคนกระทำความดี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 คำพีนี้ไม่มีความสงสัยใดๆด น, นั้นเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลายคือบรรดาพุที่ศรัทธาต่อสิ่งได้รับและปฏิบัติละหมาด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 และจากกลุ่มชนนั้นมีผู้กล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่อลอและวันปรโลกแล้วทั้งทั้งที่พวกเขาหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่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 ผู้ชดเขาเหล่านั้นศรัทธากันกระนั้นหรือพึงทราบเถิดว่าพวกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ชดเขาแต่พวกเขาหารู้ไม่า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 ถ้าจริงเราเพียงแต่เป็นผู้เยอะอย่างเท่านั้นอัลลอฮจะส่งเยอะอย่างพวกเขาและจะส่งยืดเวลาให้พวกเขาจมปลักอยู่ในการและเมื่อตอไออูล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 َ ث َ ل ه م ك م ث َ ل ا ل ِ ي استوقدن عن فلما أضاءت ما, ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله ب ن و ر ه و ر ك ه م في ظ م ت ل ب ص ر و ن อุ ป, ปมาพวกเขานั้นดังอุปไหมผู้ที่จุดายขึ้น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 أوَكَصِيَّبٍ مِنَ ا ل س َّ ن ا ء ِ ف ي ه ِ ظ ُ ل م َ ا ت ُ و َ ر ع د و َ ب َ ر ق ي ج ْ ل و ن َ أ ص َ ا ب ِ ع ه م ف ي آ ذ د َ ا ن ه م مِنَ ا ل ص و ا ع ق ِ ح َ ذ ر ا ل م َ و ت وَاللَّهُ م ُ ح ي ط ب ِ ا ل ك ا ف ِ ر ي ن หรือดังอุปมายฝนที่หลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าโดยที่มีทั้งความมืดฟ้าร้องและฟ้าแลบพวกเขาจึงเอานิ้ว ม, มืออุดหูของเขาไว้อันเนื่องจากฟ้าผ่าทั้งนี้พระกลัวความตายและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมพวกเขาปฏิเสธศรัทธาไว้แล้วบุ <S <S كلما أضاءلهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب ِ س م ع ه م وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير.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 الذي جعل لكم الأرض ف ِ راشو والسماء ن َ ا ء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 وإن ُ ن ت م في ريب مما نزلنا على ع ب د ا فأتوا بصورة من مثله فأتوا ب ُ و ر ة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 และเจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลายว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่ขั้นใต้นั้น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 إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما ب ع و ض ً فما توقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم َأَمَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ مَثَلًا بِهَا يُضِلُّ بِهِي كَثِيرًا وَيَهْدِي الْفَاسِقِينَ بِهِي بِهِي يُضِلُّ إِلَّا ท่านอัลลอฮจะไม่ทรงละอายในการที <filters> ่จะยกอุทาหรณ์ใดๆขึ้นเปรียบเทียบ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 ا أ คือบรรดาผู้ที่ผิดสัญญาต่ออัลละ์หลังจากที่ได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์และตัดสิ่งที่อัลลอส์ทรงชายให้ต่อและทำความเสื่อมเสียหน้า ผืนแผ่นดินชนเหล่านี้แหละคือพวกที่ขับพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไร ท, งทั้งที่พวกเจ้าเคยปราศจากชีวิตมาก่อน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 นนาารพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สำหรับพูกเจ้าภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟ้าฟ้าแล้วได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَالِيْفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُبْسِدُ فِيهَا و َ ي َ س ْ ت ِ ك ُ س ِ د ْ مَا أَوَلَحْنُ ن ُ سَبْحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي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 และเทิดทูนความบริสุทธิ์แก่พระองค์ท่านพระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้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 آدم أبههم بأسمائهم فلما بهم بأسمائهم قال قال ألم أقلكم إني أعلم غيب السماوات والأرض อิ น, น ت ت พระองค์ตรัสว่าโอ้อานาเจ้าจงบอกบรรดานามของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาทีครั้นเมื่ อ, อดำได้บอกนามของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาแล้วพระองค์จึงตรัสว่าถ้าไม่ได้บอกแก่พวกเจ้าดอกหรือว่า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 และจงนำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแก่มาลัยก้าว่าพวกเจ้าจงสุยู่แก่อดัมเถอะแล้วพวกเขาก็ได้โค้งคารวะกันนอกจากอิงลิสที่มันไม่ยอมโค้งคารวะและยะโสโอหันในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไ َقُلْنَا آدَمُسْكُنْ وَزَوْجُكَ هَارَغَدَنْ تَقْرَبَاهَا และเราได้กล่าวว่าโอ้อดัมเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์ น, นั้นเถอ และเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนสวรรค์นั้นอย่างกว้างขวางตามที่เจ้าทั้งสองปราถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้อาธรรมแก่ตัวเองแต่อัเซลลุมาัลชัยตานุงามฮฟาอัครเจฮมามิมมาคานาีวะกุลเนหบิตูบางุคุมลิบางนอาดู พายหลังชวยตอนได้ทำให้ทั้งสองพลั้งพลาดไปอันนึ่งด้วยต้นไม้นั้นแล้วทำให้ทั้งสองต้องออกจากที่ที่เคยพอมนักอยู่และเราได้กล่าวกับพวกเจ้าจงออกไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าตามเป็นศัตรูต่อกัน และสำหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งอํำเนยประโยชน์ไปจนถึงระยะเวลานและอาดัมก็ได้เรียนรู้คำบิงบวนจากพระผู้บานของพวกเขาและโปรงก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเขา แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาสมถ้าท่บค่พระเจ้าท่านทั้งหลายจะได้รับค ي ามช م วยเหลือจากพระเจ้าทได้มอกัลย่เลาพะหได้วมวเาก่ลม่อาัลววล่าได้กล่าว่า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 يابني إسرائيل จงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้า และจงรักษาสัญญาของข้าให้ต้องทวนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบงทวนและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเตรียตรูว่าอามินูบิมาอัน ز ลทุมสัดดิกันลิมามาะคุม ولا تكون อัววลกาฟิรินบิฮ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 และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระจักรและจงรูก ล, วลัวร่วมกับผู้รูกัวทั้งหลาย أ พวกเจ้าใช้ผู้คนทําความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าก็อ่านคัมภีร์กันอยู่พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือพวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด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 และจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแค่ชีวิตหนึ่งด้านและการขอความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้น และฆ่าไทถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นด้วยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหว่าอิบนะเจลาคุมมิในทีิรกร้าะซูมูนักมซูอัลอาดับยุดับพุนอบนาคุมวายสเตพูนลิซาบอะคุม และจงดำเนึกถึงขณะที่เราได้ช่วยเหลือพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพองของฟิรโรจน์โดยที่พวกเขาบังคับขู่เขนพวกเจ้าโดยการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชื้อดูผู้ชายของพวกเจ้าแล้วไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้า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 และได้ให้ฟิโรูน์นั้นจมน้ำตายโดยที่พวกเจ้าก็มองดูอยู่และจงรำลึกถึงขนาดที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้สี่สิบือแล้วเจ้าได้ยึดเอาลูกกัวตัวนั้นเป็นที่คารุสการะ หลังจากเขาจากไปแล้วโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผูอน้อาามมาาะาถะุรพ์แล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณวะาอะดอัอยนามูวกา ล, ะ ล, ะลังจากนันเพืาพวกเจ้ะขุ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 รงงคืออผผูู้้สออภัยโทษเมมตตาและจงดำลึกถึงขนาดที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์โดยเปิดเผย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 َظَلَّلْنَا ظَلَمُونَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَّلْوَا مِنْ وَزَقُنَاكُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا مَا َمَا ُلُوا أَنْفُسَهُمْ طَيِّبَاتِ เราได้ให้ก้อนเมฆบดบางพวกเจ้าจากแสงอาทิตย์และได้ให้อันมันนะ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 ลลนนลและจองํำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้แล้วจงบริโภคเครื่องยัางชีพจากเมืองนี้อย่างกว้างกวางตามที่พวกเจ้าปรารถนาถือ และจงเข้าประตูนั้นในสภาพพุ่นโน้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมและจงกล่าวว่าฮิดดอกคือชื่อประตูเมืองเราก็จะอภัยโทษแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดทั้งหลายของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มภูนให้แก่ผู้ ก, กระทำความดีทั้งหลายล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 เราจงจำเลึกถึงขณะที่มูซาได้ถอนน้ำให้แก่กลุ่มชนของเขา แล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้าและแล้วตาน้ำสิบสองตาก็โวยพุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้าดื่มของตนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยยังชีบของอัลลอฮฺและจงอย่าก่อควนบนแผ่นดินโดยเป็นผู้วันทำลาย وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَا نَصْبِرَ عَلَى قَعْلِ وَاحِدٍ ف َ د ْ ع ُ لَنَا رَبَّكَ ف َ د ْ ع ُ و لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا ت ُ و ب ِ ت ُ ا ل أ َ ض ْ م َ مِنْ د َ ق ْ ل ِ ه َ ا و َ ق ِ ث َ ا ئ ِ ه َ ا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا و َ ب َ ص َ ل ِ ه َ ا قال أتستبدلون الذي هو أ د ن ا بالذي هو خير إهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم وضربت عليه مذلة والمسكنه و َ ا ء بغضب من الله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 ดังนั้นท่านจงวิงวอนต่อพระผู้บานของท่านให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์ก็จะส่งให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเหนยขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วแล้วหัวหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าด้วยสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นนึกพวกเจ้าจงลงไปอยู่ในเมือง ใบตุลมักลิสเถิดแล้วสิ่งที่พวกเจ้าขอก็จะเป็นของพวกเจ้าและแล้วความอัปยศและความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาและพวกเขาก็ได้นำเอาความคกล้วโปรดจากอัลลอฮ์กลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลล์และยังสังหารบรรด า, าศาสดาโดยปราศจากความเป็นธรรม ดังกล่าวนั้นก็ด้วยความดื้อดันของพวกเขาและแล้วพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขตอินนัลลดีนออามนวัลลดีนฮดูอัลนสาวอซอาบีอนวัสซอาบีอฺนันอามนบิลลาฮวัลยามิลอาคิรวฺฺ <S <S ฺฺฺฺฺฺฺฺฺ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 โดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆและพวกเขาก็จะไม่เสียใจข้าพเจ้าจะนามีใา้พวกท่านรู้ตัวนากทุกท่าตู้ขุดูมาอาตยนาคุมบิขวติวะอัลกุรอมาฟีฮิละเละคุมเัตตุกุนและจองนับลึกถึงขนาดที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้า และเราได้ยกภูเขาตรุดขึ um week, you, uh um um ้นเหนือพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ประทานให้ด้วยความจริงจังเถิดและจงนําลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะอย่างไรงทุนมะทวัลเลีุมิ่งบัดดิบานิกแล้วโลาฟัตซุลลอฮีอะลัยคุมวะรฮฺมัตุหุลักุมทุมิ่งอัลก้ซิริน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 แล้วเราได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจงกลายเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยเถิดแล้วเราได้การลงโทษนั้นเป็นเยี่ยงยากแก่ผู้ที่อยู่ในสมัยนั้นและสมัยหลังจากนั้นและให้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย ت ت และจงดมลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่าแ ท, ท้จริง อลัลลอฮ์ทรงบัญชาแก่พวกเจ้าให้เชื่อวัวตัวเมียตัวหนึ่งพวกเขากล่าวว่าท่านจะถือเอาพวกเราเป็นที่ล้อเล่นกระนั้นหรือมูซากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองจกอลัลลอฮ์ให้พ้นจากการที่ฉันจะเป็นพวกโง่เขลาเบาบลญญรบบาในาลอิน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 ق ا ا د ع ل ن ا ربك يبين لنا ما هي إن ا ل ب ق ر ش ا ب ه علينا و إ ن ا إن شاء الله ل م ه د و ن พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระพูดบานของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะส่งแจ้งแก่พวกเราว่าวัว น, นั้นเป็นอย่างไร ถ้าจริงหัวตัวนั้นมันคล้ายคล้ายแก่พวกเราและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่รับทางนำที่ถูกต้องกกลลลลอออินนนนัยตูบุุุสมมช ق ا ل ا ل ن ج ت بالحق ف ب ح و ه ا وما كانوا يفعلون" มูซ่ากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวที่ไม่ยอมสยบง่ายๆที่จะไถานาและที่จะทดน้ำเข้านาเป็นวัวสีบริสุทธิ์ปราศจากสีอื่นใดแซมในตัวมันพวกเขากล่าวว่าบัดนี้ท่านได้นำเอาความจริงมาแล้ว พวกเขาก็เชื่อมันโดยที่พวกเขาเกือบจะไม่ทำมันอยู่แล้วและจงนับลึกถึงขนาที่พวกเจ้าฆ่าคนหนึ่งและพวกเจ้าต่างปกป้องตัวเองในเรื่องนั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ แล้วเราได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของวัวในทานองนั้นแหละอัลลอฮ์ะจะทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาและจะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ ثم قست خ ُ و ب ك م من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهاض وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء หลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระดานเสมือนดังหินหรือแข็งกระดานยิ่งกว่าแต่แท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่บรรดา่านน้ำป่วยพุ่งออกมา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 พวกเจ้ายัางโลภที่จะให้พวกเขาสัปทาต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นหรือทั้งทั้งที่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเคยสะดับฟังดัรมดับของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็บิดเบือนหลังจากที่พวกเขาเข้าใจมันแล้ว وَإِذَا ر َ ق و ّ ا ل َ ذ ي ن آمَنُوا ق َ ا ل و ا آ م َ ن ا و َ إ ذ َ ا خ َ ل َ ا ب َ ع ض ُ ه م إ ل ى ب َ ع ض ٍ ق ا ل و ا أ َ ت ُ ح َ د ّ ث ُ ل َ ه ُ م بِمَا فَتَحَ ا ل ل ه ُ ع َ ل َ ي ك ُ م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 แท้จริงอัลลอฮนั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยอออนนนลลัิบและในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นซึ่งพวกเขาไม่รู้คำภีรนอกจากความเพ้อฝัน และพวกเขาหามีอะไรไม่นอกจากความคาดคะเนเอาเองเท่านั้น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 หรือว่าพวกเจ้าอุปโลกความเพ็้ให้แก่อล AH, ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่อยู่ดานเบซอตะาีขติตุาอลยอฮบุนนาริฮมฟฮลินาช่นนั้นไม่ผู้ใดที่แสวงหาความชั่วและความผิด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 ة, และจงดมเลึอดถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญากับวงวานอิสราเอลว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสการะใครหรือสิ่งใดนอกจากอัลลอะ์เท่านั้น และจงทำดีต่อบิดามารดาญาติใกล้ชิดเด็กกำพร้าและผู้ขาดสมและจงพูดจากับมนุษย์อย่างสุภาพและจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระอากาศแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายบนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นโดยพวกเจ้าเป็นผู้ผินหลังให้ และจงจำลึกถึงขนาดที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาแก่พวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะต้องไม่ลั่นเลือดของพวกเจ้า และจะต้องไม่ขับไล่พวกเจ้าเองออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็ยอมรับโดยที่พวกเจ้าก็ยังยืนยันอยู่ทุมมมาทุมใาอลาอิตะกตุลูนอันฟุสะคุมวะทุคริจูลทรีกา وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي يأتكم أسرار تفادوهم وهو محظوم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكررون ببعض فَمَا يَفْعَلُ فِي بِغَافِلٍ جَزَاءُ مَنْ ذَٰلِكَ إِلَّا الْحَيَاَتِ الدُّنْيٰيَٰ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَضُّ لَئِلَىٰ مِنْكُمْ وَمَا خِزْيٌ أَشَدِّ الْعَدَادِ اللَّهُ ภายหลังพวกเจ้านี่แหละค่าทัวของพวกเจ้าเอง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 ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالغسل و آ ت ي ن ا عيسى بن مطر م َ البينات وأيده ن بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَ ك ُ م ْ رَسُولٌ ب ِ م َ ا ل َ ت َ ه وَأَنفُسُهُ م ُ س ْ ت َ ف ْ ض َ د د พัจริเราได้ประทานคำพีแก่มูซาและเราได้บรรดาศาสนาทูตติดตามมาหลังจากเขาและเราได้ประทานหลักฐานต่างๆแก่อีสซาบุตรของมารยะและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์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 าา ست على اء ن ن الله على และเมื่อได้มีคำพีฉบับหนึ่งนะที่อัลลอฮ์มาอย่างพวกเขาซึ่งมายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา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 ب َ س َ م ّ ا َ ش ْ ت َ ر ُ و ا بِهِ أ َْ ف ُ س َ ه ُ م أَيْ أن ي َ ت َ ف ر ُ و ا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ب َ ر ْ ي ً ا أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ ف َ ض ْ ل ه أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ م ِ ن ْ ع ِ ب َ ا د ِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ช่างชั่วช้าจริงๆการที่พวกเขาขายตัวเองด้วยสิ่งนั้นถือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาอันเนื่องจากความอิจฉาทิษยาต่อการที่อัลลอฮ์ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่ผู้ที่โปรง่งทรงประเสริฐในหมู่ปวงบาวของพระองค์ ดังนั้นพวกเขาจึงนำมาความคกลียดโกรธซ้อนความคกลียดโกรธกลับไปอย่างครบและสาหรับผู้ปฏิเสธสถานนั้นจะได้รับการลงโทษอันต่าต้อย وا, و ม ذ ا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا مؤمنوا بما أنزل علينا ويكثرون بما رآه ฉันพไดู้ ก, กล่าวแก่พวกเขาว่าจงศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอะ์ได้ทรงประทานลงมาเถอะพวกเขาก็กล่าวว่า เรากําลังศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราอยู่แล้วและพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งอื่นจากนั้นทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นเป็นความจริงที่มายืนยันสิ่งที่มีอยู่ที่พวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิว่าเพราะเหตุดใดเมื่อก่อนนั้นพวกเจ้าจึงค่าบัรดานาบีของอัลลอฮ์ถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้สัมผัส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 มูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าทหารสถานอำนักแห่งประโลกณ์กที่อัลลอฮ์เป็นของพวกเจ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นของคนอื่นแล้วล้วก็จงหวังความตายเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง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 و ل ت ج د ن ّ ه م أحرس الناس على حياته ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف س ن ة ه وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمد والله بصير بما يعملون لا ن و ن อน تجد พบ ه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 قل من كان ع د و ا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدوء وبشرا للمؤمنين. محمد. تنقل عنه. وكرهت كي ينسلو إلى جبريل بعده. แทจินเขาได้นำเอาคำพีอัลกุรอานลงมาสู่วใิใใจัยของเจ้าด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เพื่อมายืนยันสิ่งที่อยู่ก่อนคำพีอัลกุรอานและเพื่อเป็นทางนำและข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายในแก่นกอดูวั ล, ลลอฮ์และมลาอีกต์ที่ฮีแะรุสุลิฮีวะจิบรีลวะมีกาลเฝอิน ลลาดูใีใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออัลลอฮมาลายกาของพรมบรรด า, าศาสนาทูตของพรมยิบ ร, รออินและมินกาอินัแท้จิอัลลอฮทรงเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธ ท, ทาะะนะ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 และข้าใดที่พวกเขาได้ให้คํามั่นสัญญาใดๆ ไ, ไ, ไว้กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็เหวี่ยงสัญญานั้ำทิงเสียขณะนั้นดึงไม่ส่วนมากในหมู่พวกเขาไม่สัทธาตะววัลมม่าจอาหัมรสูลมินอินดิลล้าหิมสัดดิกลินมามาหุม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 ทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่วู้วัดะรูมัสละช ي า ط ิน على ملك س, س عل ل น م ا ن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون ما س السحرة وما أنزل على الملتين بباب لها عوت وما روت وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا ت َ ك ْ ف ُ ر ُ ب ن ف َ ي َ ت َ ع َ ل َ م ُ و ن َ مِنْهُمَا مَا ي ُ ف َ ت ِّ ق ُ و ن َ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم ب ِ ض َ ا ر ِ ر ي ن َ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาซาตานในสมัยสุไล مان อ่านให้ฟัง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 แน่นอนผลตอบแทนนณะที่อั ล, ล่อนั้นย่อมดีกว่าหากพวกเขาทราบโอ้ผู้พุัทธาทั้งหลายจงอย่าพูดว่ารออนะินาแต่จงพูดว่าอุนสุดนาะ และจงฟังและสำหรับผู้ปฏิเสธสภานั้นต้องได้รับการลงโทษอย่างเจ็บสวัดดะอัลมุชรีตีน์อัยยุ ن อัลเลาะลَอัลลَฮَมิมีข้อดีอ ن นใَอีกนอกจากอัِลอฮฺจะใ ا ل ขّ้ดُอันหนึُ่แก่พวกท่านจากข้อดีอั ا อื ลลีบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งที่เป็นชาวคัมภีและชาวมักกะที่บูชาจเจว็ตต่างไม่ชอบที่จะใหมีความดีใดๆจากพระผู้บานของพวกเจ้าถูกประทานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วรนั้นจะทรงเจาะจงความเมตตาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วรนั้นทรงเป็นผู้ที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง มนั้นสมิอยจินเอานุสิหณที่ไปค่อยริมมิเมิุนหาอลกลอัน له อลคุณไม่ชพอดีองค์การใดที่เรายกเลิกหรือเราให้มันลืมเลือนไปเราก็จะนําสิ่งที่ดีกว่าโองค์การนั้นมาหรือสิ่งที่เท่าเทียมกับองค์การนั้น เจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอ ล, อลจาลมอัลลอฮหุลุสสมาวตาิวัลอวะมาลคุมมิดูนิลาิวะลวะลาีรมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริง อาล่อนะสรงมียอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและพันดิกพวกเก้าย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆอื่นจากพันหล่ะอัมทุรีดูนอันตาสะลูรสูลคุมตามาสอีลมูซามินกบลว่ามันยะบัดดลิลกุฟรบิลอีมานฟักดบลลสวาสสบ หรือพวกเจ้าต้องการที่จะขอร้องต่อศาสนาทูตของพวกเจ้าเช่นเดียวกับพี่มูซาเคยขอร้องมาก่อนและผู้ดเปลี่ยนเอาการปฏิเสธไว้แทนการศรัทธาแล้วไซแน่นอนเขาได้หลงจากทานอันทิ่งตรงไปแล้ว وَالدَّكِيرُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ ي َ ر ُ د ُّ و ن َ ك ُ م ْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ك ُ ف َّ ا ر ً ا حَسَدًا مِنْ ع ِ ن ْ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ت َ ب َ ي ن َ ل َ ه ُ م م ِ ن َ ع ْ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْحَقُّ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 แ ล, กก ama, และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระจะกรและความดีใดๆที่พวกเจ้าทำไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณที่อัลแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ และพวกเขากล่าวว่าจะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เลยนอกจากผู้ที่เป็นยิวหรือคริสเตียนเท่านั้นนั่นเป็นความเพ้อฝันของพวกเขา มโหมาจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดชิบ า, ه ه ه าเป็นเช่นนั้นไหมผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่ลอ AH, โดยเข้าป็นผู้กระทำความดีแล้วไซเขาจะรับผลตอบแทนณพระผู้ดานของเขาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจว่ากลันที่ลีฮูดล้ย่งที่นัซารัลชียว่ากลันทีนัซารัลล้ย่งที่ลีฮูดัลชีว่าหัมลูนลคิทับ คดั้ลลิค hey. ์กล่าวว่าเหล่าคริสต์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดและชาวคริสต์ก็กล่าวว่าชาวยูนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดทั้งๆที่พวกเขาอ่านคัมภีร์กันอยู่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 อ, ลอแล้วใครเล่าที่จะเป็นผู้อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่หัวงห้ามมาสัสยิดของอเลาในการที่พระนามของพระองค์จะถูกกล่าวในมสัสยิดเหล่านั้น และพยายามทำลายมันด้วยชหล่าวนี้แหละไม่บังควรแก่เขาที่จะเข้าไปในนั้นนอกจากในฐานะเป็นผู้เกรงกลัวเท่านั้นและพวกเขาจะรับความอัปยศในโลกนี้ส่วนในประโลกนั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างใหญ่ ล, ลลิิลมิมรร الله الله ع ع ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ์ดังนั้นไม่ว่าพวกเจ้าจะหินหน้าไปทางไหนที่นั่นคือพระพระขอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอ์คือผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอำรวยว่ารู้ทั่วทั้งโลก สุุาาาูบ ล, าาา ล, ลลลลมมิวอคนนและพวกเขากล่าวว่าอาลัลลอฮ์ได้ทรงยึดเอาพระบุตรองค์หนึ่งพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แต่สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิน้นโดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้สัทธานนอบน้อมต่อพระ รพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผนดินเหล่าเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้วพระองค์เพียงแต่ประกาศ ส, สิ่งนั้นว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็น وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله ا أو تأتينا آية كذلك قال الذين من ق ب ل ه م مثل قولهم تشابهت قلوبهم ق د بين الآيات ا ل ق و م ي و قنون لبندق <تصفيق> ที่ไม่รู้ได้กล่ ฉาไหนอลัลลอฮ์จึงไม่ตรัสแก่พวกเราหรือไม่ก็ห้หยมีสัญญาณอย่างหนึ่งมายัางพวกเราในทํานองนั้นแหละบรรดาชนรุ่นพ่อนเขาเพอกล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของเขาโดยที่วิจใจของพวกเขาคล้ายกันกับความจริงเราได้แจ ก, กแจงสัญญาณต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้วแก่กลุ่มชนที่สัตว์ถานอินอ ล را, และความจริงเราได้ส่งเจ้ามาพร้อมกับสัจธรรมในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวไวา้และเจ้าจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับชาวนรก ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ِ ل ت َ ه م قل إن هدى الله ه والهداة ولئن ا تبع َ أ ه و ه م بعد الذي جاءك من العلم مالك ท้า ah วจีและชาวคริสต์นั้นจะไม่ยินดีกับเจ้าเป็นอันขาดจนกว่าเจ้าจะปฏิบัติตามาศาสนาของพวกเขาเ ม, มื่อมันจงกล่าวเถิดว่าแต่จริงทางนำขอรอดเท่า น, นั้นคือทางนำที่แน่นอนถ้าเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขา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 วบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขาโดยที่เขาจานคคำพีนั้นอย่างจริงใจชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาต่อคำพีนั้นแต่ถ้าผู้ใดปฏิเสธคำพีนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดถูก อ, ง, อ, ง, อวงวานอิสร ا ئ ิ ل จงนึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้กรุณาต่อพวกเจ้าและแท้จริงข้าได้เทิดพวกเจ้าเหนือประชาชาติทั้งห An และจงวันเพลงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้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 และจงดำลึกถึงขณะที่พระผู้บันของอิบราฮีมเด็ดทดสอบเขาเ้็ยพระบัญชาบางประการและเขาก็ได้สนองพระบัญชานั้นอย่างครบถ้วนพรนอตรัสว่าแท้จริงข้าใช่เจ้าเป็นผู้นำมนุษยชาติ เขากล่าวว่าจากลูกหลานของฉันพระองค์ตรัสว่าสัญญาของข้านั้นจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อธรรมมุลล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 จากมากอมที่ยืนของนบีอิบรอฮิมเป็นที่ละหมาดและเราได้สั่งเสียแก่อิบรอฮิมและอิสมาฮินว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข่าเพื่อบันดาผู้ตวับและบันดาผู้เียติกาบและบันดาผู้รุกหัวและสื่อ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا د َ ا ف ِ ل َ د ً ا آ م ِ ن َ ة و َ أ ر ْ ز ُ ق ْ أَهْلَهُ مِنَ ا ل َّْ م َ ر َ ا ت ِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ م بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ و َ م َ ن كَفَرَ فَأُمَتِّعُ ق َ د ِ ي ل ا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 إن أن ال และจงนับเลิกถึงขาดที่อิบราฮิมและอิสมาเอลรับนตั้งฐานของบ้านหลังนั้นให้สูงขึ้นโดยทั้งสองได้กล่าวยิ้มวอนว่าโอ้พระวิบานของเราได้โปรดรับจากพวกเราด้วยเถิด ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ร إن أن โอ้พระผู้บานของเราได้โปรดให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระง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 م م และอิบราฮีมได้สั่งเสียแก่ลูกลกของเขาให้ปฏิบัติตามแนวทางมันและยากูก็สั่งเสียได้ว่าโอ้ลูกลกของฉันแท้จริงอัลลอฮ์ ได้ส่งเลือกศาสนาให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ายอมตายกันนั้นขาดนอกจากพวกเจ้าจะเป็นผู้ยอมจำนวนต่ออัลลอฮ์เท่านั้ น, อ น, นอมอลลบอมบ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 และพวกเขากล่าวว่าพวกท่านจงเป็นยิวหรือเป็นคริสเตพวกเจ้าก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องมุหัมมัดจงกล่าวเถอดหาเช่นนั้นไม่แต่เป็นแนวทางที่อิบราฮิมผู้ใฝ่หาความจริงต่างหา และเขาไม่เคยเป็นผู้บูชาจุด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 และสิ่งที่มูซาและอีชาได้รับและสิ่งที่บรรดานาบีได้รับจากพระผู้วิบานของพวกเขาพวกเรามีได้แบ่งแยกท่านหนึ่งท่านใดจากเขาเหล่านั้นและพวกเราจะเป็นผู้จำนนต่อพระองค์เท่านั้นแตนอามรุบ OR <EN> <IA> <te le> ิเิมืนมาอเมรุบิฮหฟักัดเหตุดียวว่าทว่ล้วฟังนนแม้หุ่ฟีชิคาต และถ้าหาพวกเขาศรัทธาอย่างที่พวกเจ้าศรัทธาแล้วแน่นอนพวกเขาย่อมได้รับทานนาที่ถูกต้องและหาพวกเขาผินหลังให้แน่นอนพวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกันและอัลลอฮ์ก็จะส่งให้พวกเจ้านั้นเพียงพอแก่พวกเขาและองค์นั้นเป็นผู้สรงได้ยินผู้สรงรอบหูยิ่ง การย่อมของ Allah และใครเล่าจะยอมดีไปกว่าเลาและพวกเราจะเป็นผู้คารกดพระบีตอบรับ นลวณมูฮัมมัดจงกล่าวถึงว่าพวกเจ้าจะโต้แย้งกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์กระนั้นหรือทำท่ๆ ท, ที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้บานของพวกเราและพระผู้บานของพวกเจ้าและบรรดาการงานของเราก็ย่อมเป็นของเราและบรรดาการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้าและพวกเรานั้นจะเป็นผู้มอบความบริสุทธิ์ใจ هاولا. هاولا. أم تقولون إن إبراهيم و إ س م ا ع ي ل وإسحاق ويعقوب و ا ل أ س د ا ق كانوا هودا أو ن ص ا ر ا قل أنتم أعلم أم ا ل ل ه ومن أظلم م م ن كتم شهادة عنده من الله؟ و م ا الله بغافل إ م ا تعملون.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 และรอนั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ามมกระทำนั่นคือกลุ่มชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่เขาเหล่านั้นกระทับรรดามนุษย์ผู้ชวดข่าวนั้นจะกล่าวว่า อะไรเล่าที่ทำให้พวกเขาหันออกไปจากคิบรลัง์คือทิศทางของพวกเขาที่พวกเขาเคยผิดหน้าไปมุฮัมมัดต้องกล่าวเถว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นพระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทร ง, งประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรง وكذلك جعلناكم أمته وسقل لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا ي وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ م َ ن يَتَبِعُ الرَّسُولَ م ِ م َ ن ي َ ق ل ِ ب ُ عَلَى ع َ ق ِ ب ِ ه ِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إ ِ م َ ا ن َ ك ُ م ْ إِنَّ اللَّهَ ب ِ ا ل ن ا س ِ ل َ رَأُوفٌ ر َ ح ِ ي م ได้ในทำนองเดียวกันเราได้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลายและเราศูนย์ก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้าและเราไม่ได้มีขึ้นซึ่งคิดประลาดที่เจ้าเคยผินหน้าไปนอกจากเพื่อว่าจะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติตามเราศูนจากผู้ที่กําลังหันส้นเท้าทั้งสองของเขากลับ และแท้จริงการเปลี่ยนแปลงจิปรตัตนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากแกร่รรดาผู้เที่ยัลอทรงแนะนำเท่านั้นและใช่ว่าอาลอ้นั้นจะทำให้การศรัทธาของพวกเจ้าสูญไปก็หาไม่แท้จริงอลัลลอ์เป็นผู้ทรงปราณีผู้ทรงเมตตาแก่มนุษย์เสมอ ف َ و ل ّ وجهك ََ شطر َْ المسجد ْ الحرام َ وحيثما ََُ كنتم ُ فولوا َ وجوهكم َ شطره َ وإن َ الذين َ أتوا الكتاب ِ لا يعلمون َ أنه ُ الحق َُ من ربه ِ م ولله ََ م ا ُ ب ِ غ ا ِ للعم ّ ا يعملون. َُ تَجِنْ رَوْحِنْ بَيْنَا جَاوْا كُنْ แน่นอนเราให้เจ้านั้นผินหน้าไปทางทิศประหลัดที่เจ้าพนงัวจังดังนั้นเจ้าจงผินใบหน้าของเจ้าไปทางมัสสิทารอมเถิดและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินใบหน้าของเจ้าไปทางทิศนั้นและแท้จริงบรรดาผู้ที่รับคาภีนั้นย่อมรู้ดีว่ามันคือความจริงที่มาจากพระพุยบานของพวกเขา و ل ِ ئ ِ ن َ أَيْتَ الَّذِينَ أ ُ و ت ُ ا ل ْ ك ِ ت َ ا ب َ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبَلَتَ ب َ ع ْ ض و َ ل َ ئ ِ ن ََ ت ب َ ع ْ ت َ أَهْوَاءَهُمْ مِن และแน่นอนถ้าพวกเจ้าได้นำหลักฐานทุกอย่างมาสแสดงแก่บรรดาผู้ที่รับคำพตพวกเขาก็จะไม่ตามคิบบะหลักของเจ้าและเจ้าก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามคิบะหลักของพวกเขาและในบางกลุ่มของพวกเขาเองก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามคิบบะหลัก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 และนั้นเจ้าจุงยาอยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาดและสำหรับแต่ละประชาชาตินั้นต่างก็มีพิศทางหนึ่งซึ่งประชาชาตินั้น เห็นหน้าไปสู่ดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันจันทําความดีทั้งหลายกันเถิดที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏ อ, อยู่อัลลอฮ์ก็จะส่งนําพวกเจ้ามาทั้งหมดถ้าจริงอลัลลอฮ์ทรงเดชาลุภภาพเหนือทุกสิ่ และจากที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าออกไปพระชงผินหน้าไปทางมัสสิดฮะรอและแท้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระวิบาลของพวกเจ้าและแล้อนั้นไม่เป็นผู้สงรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทำากทวَเِ้าออกไปพระจงผินหน้ร วะเพ ل ่อมาคุณทْ้มทมวัล ل َจูห์ْุณชัตุร์ลัลล خ ย์คุณลิมนَ ل ส์อาลัยคุณ ع ุ ك ์ ت ์ันอัลลัลที่ใดก็ตามที่เจ้าออกไปก็จงเปลี่นหน้าของพวกเจ้าไปทาง ม, มัสยิด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 ดังที่เราจึงได้สُ่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 ข้าก็จะรำลนกถึงพวกเจ้าจงขอบคุณข้าเถิดและจงยาในรคุณต่อข้าเลยยาฮลีนอามันัสตยนบิัดรวัล์อินัลลฮสบิรีนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยความอดทนและการทำละหมาดเถิดแท้จริงอัลลอฮนั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย ات, และวพวกเจ้าอจากล่าวแก่พูดที่ถูกข้าในขอนทางของเราว่าพวกเขาตายไม่ได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่เพาะว่าพวกเจ้าไม่รู้ อและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัวและความหิและด้วยความสูญเสียอย่างไใดอย่างหนึ่งจากทรัพย์สมบัติชีวิตและพลืชผล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 เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอลรถดังนั้นผู้ใดที่ประกอบพธิธีหัตหรืออุมร์นักใบตุลล์ก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาระหวา่างภูเขาทั้งสองนั้นและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วแน่นอนอรรนั้นเป็นผู้ทรงขอบใจ อินั้ลที่นักตุมุลมาอัลละห์จากอัลบียนัตัละุดามินบัดมมาบียนน้าหุลลนาสฟิลคิตาบอูลัยค์ก์ย์ยลล์ห์ห์มุลลาห์ห์และยลล์มุลลาอท่าทีบรรดาผู้ปิดบังหลักฐานอันชัดเจนและทางนั้นไมนถูกต้อง ที่เราได้ลงมาหลังกาที่เราได้ชี้แจงมันไว้แล้วในคำภีสาหรับมนุ ษ, ษนั้นชนเหล่านี้แหละที่รอดจะส่งสาบแช่งพวกเขาและผู้สาบแช่งทั้งหลายก็จะสาบแช่งพวกเขาด้วยอิลลนัลละอนะอบพวกาละผู้ที่สำนกลับเนือน้อกลับตัวและปรัปรุงแก้ไขนอกาผู้ที่สนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไข และชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ชนเหล่านี้ข้าจะอภัยโทษแก่พวกเขาและข้าคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออินนัลทีนักรวมตุโธมุฟารุลอลาอกะลหิมลนตุลอัลลอฮุลาอกะลหมลนตุลอัลลฮีวัลมาอิกัวนัอัจมั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 และมนุษย์ตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกขัดปลอมแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกรั้งรอดในการลงโทษเลยและบู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวไม่มีผู้ควรแก่การเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماوات. من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و ب ث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات ل ق و م يعقلون. <تصفيق>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 และให้เมฆซึ่งถูกกำหนดให้บริการแก่โลกผันแปรไประหว่างฟากฟ้าและผ่นดินนั้นแน่นอนล้วนเป็นสัญญาณนานาประการแก่กลุ่มชนที่ใช้ปัญญาวดลอ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 และหากบรรดาผู้อาธรรมจะได้เห็นขณนะที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นแน่นอนพวกเขาต้องตระหนักดีว่าแท้จริงอลัลละฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงขณะที่ทบรรดาผู้ทีท่ถูกตามได้ปลีกตัวออกจากบรรดาผู้ตาม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 โอ้มนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชายตอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ทัดแจ้งของพวกเจ้าอออออิินนนมมมมมมายยุุบบซซููวววััั ที่จริงมันเพียงแต่จะใช้พวกเจ้าให้ทำความชั่วและสิ่งลามกเท่านั้นแต่จะใช้พวกเจ้าให้กล่าวความเทศเกลละในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้า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 และอุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธานั้นดังที่ผู้ส่งเสียงตะวาดสิ ال ال ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องนอกจากเสียงเรียก และเสียงตะโกนเท่านั้นพวกเขาคนหูหนวกเป็นบใบตาบอดตอนนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจยาอัยยลลัลที่นอามันคุลูมิที่บาติมะราซากนาคุมวัชกรุลิลลาฮินคุนตุมอิยาห์ทอบบูรุน บรรดาพุทธาทั้งหลายชมบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายและจงขอบคุณลอถือหากปรากฏว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะเป็นผู้เคารพสการอินนัมอาหอาลัยเุมุลไมตตวัดดมะวะลัพมัลฮินซีริวมาอูฮิลลับินีลยริลลา ะมนิลลาออที่จริงที่ปรงทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุก่อนแล้วสัตว์ถูกเปล่งเสียงที่มันเพื่ออื่นจากเขาลอกและผู้ใดที่ได้รับความขับขัน โดยไม่ใช่เป็นผู้เสาะแสวงหางและไม่ใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซดก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเขาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งอภัยผู้ส่งเมตตาเสมออินนัลลอฮ์ดีลัคตูนมาอันซัลลลอฮ์มินัลคิตาบิวยาชตารูนบิฮะมันกตลีลา วิญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ ه ญญญญญญญญญญญญ ل ญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ ا ญญญญญญญญญญรญญญญญญญญญิดบังสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําญญ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 والمسافين وبنال سبيل و ا ل س ا ئ ل ي ن وفرد قاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة و ا ت ّ ل ّّّّّّّ ا ّّ و ّّّّّ ه ّّّ ا ّ ا ّّّّّ ا ّّّّ ا ّّّّ ف ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ وا وأ หาใช่คุณธรรมไม่การที่พวกเจ้าหินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่เพาะว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่อลอและวรร่อโลกและศรัทธาต่อมาลายกะต่อบนดารมพีและนบีทั้งหลายและบริจาคทรัพย์ ทั้งๆ ท, ที่มีความรักในทรัพ์นั้นแก่บรรดาญาติที่สนิทและบรรดาเด็กกาพรา้าและแก่บรรดาผู้ที่ยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและบรรดาผู้ที่มาขอและบริจาคในการไถ่ท่าและเขาได้ปฏิบัติละหมาดและได้การชำระพิจการและคุณธรรมนั้นคือบรรดาผู้ที่รักษาสัญญาของพวกเขาโดยครบถ้วนเมื่อพวกเขาได้สัญญาไว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 فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ و َ أ َ ذ َ ا ء ٌ إلَيْهِ ِ بِإِحْسَانٍ ذَالِكَ تَخْفِي ف ٌ م ْ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ف َ م َ ن ْ ع ْ ت َ د َ ى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ف ُ س ْ ت َ ه َ ت َ م ْ ل َ ي ْ ن َการประหาร كاتربون ให้ตายตามในกรณีที่มีถูกฆ่าตาย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 เขาก็จะรับการลงโทษอย่างเก็็บแสะและในการประหารฆาตการให้ตายตามนั้นคือการถลงไว้เสึ้นชีวิตสําหรับพวกเจ้าโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายชื่อว่าพวกเจ้าจะได้อย่างเกรต คุทิบาลัยค إذا حضر أحدكم الموت อิ ترك خير لل و صية لل و الدين อิ ترك خير لل و صية لل و الدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين การทำพิ่นายกำให้แก่พูดบังเกิดกลราบทั้งสองและบรรดาญาที่กล้ชิดโดยชอบทำนั้น ได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเจ้าแล้วเพื่อความตายได้มายัางคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าหากพวกเขาทิ้นทรัพย์สมบัติไว้ทั้งนี้เป็นหน้าที่แก่ผูย้ยำเกรงทั้งหลายอัลลอฮัดดะรุ่งบัดดะมะซามิอุะอินน์มะอิทมุรุ่อาลาลัดดีนยาบัดดิลูนฮอินนัลลอฮฺซามิอุนอาลี และผู้ดเปลี่ยนแปลงภายในกรรมหลังจากที่เขาได้ยินมันแล้วโทษแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในกรรมนั้นก็ตกอยู่แก่บรรดาผู้เปลี่ยนแปลงภายในกรรมนั้นเท่านั้นแท้จริงละลส่งได้ยินส่งรอบคู่แต่ลนข้อจะมนมุซีเจลั่นเอาอิทมะทาอัลละยนั้มาลาอิมะอัลเลยอินนัลลอฮกฟูฮี แล้วผู้ใดเกรงว่าผู้ทำที่นกรรมไม่มีความเป็นธรรมโดยไม่รู้หรือกระทำความผิดโดยเจตนาแล้วเขาได้ปรณีประนอมในระหว่างพวกเขาก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสม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 أيام ا معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعدهم ن أيام ا خ ر وعلى الذي ن يطيق له فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير ل ه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 هذل للناس وبينات من الهدى والحقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمت، ومن كان مريضا أو على سفر ف ع ذ ة من أيام الأخرى. يريد اليسر يريد العسر الله ولا ولتكمل العدت بكم بكم ดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นทางนาสาหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเกี่ยวกับทานนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ ด, ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จึงถือสินบนในเลือนนั้นและผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางก็จงถือใช้ในวันอื่นแทนอัะลลทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความยากลำบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ครบทวนซึ่งจำนวนวันของเดือนอโมนและเพื่อพวกเจ้าจะได้ความเกรงใจแด่เาลาในสิ่งที่พระองค์แนะนำแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณวอลอบิบนบน จะดดดาดาาและเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็จงตอบบอกว่าถ้าจิงข้านั้นอยู่กล้ข้าจะตอบรับคำวิงบอลของผู้พี่วิงบอนเมื่อเขาวิงบอลขอแต่ข้า ดังนั้นพวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและสถาทธาต่อข้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องอออุุุุุุลลลลมมัสนบบว ع َ ا ل ِ م َ اللَّهُ أَنَّكُمْ ك ُ ل ُ م ْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمْ وَعَفَى ع َ ن ك ُ م ْ هَلْ أ َ ن َ بَاشِرُهُمْ و َ ب ِْ ت َ غ ُ و م َ ا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ و َ ك ُ ل ُ ا و َ ش ْ ر َ ع ُ ه ُ حَتَّى ي َ ت َ ب َ ي َ ن َ لَكُمُ ا ل ْ خ َ ي ْ ط ُ ا ل ْ أ َ ب ْ ي َ ض ُ مِنَ ا ل ْ خ َ ي ْ ط ِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَدْوَ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 ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาของพวกเจ้าในค่ําคืนของการถึงสิหนดนางทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องรุ่งห่มของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็เป็นเครื่องรุ่งห่มของพวกนางอาลัลลอฮฺทรงรู้ว่าพวกเจ้านั้นเคยพุชจริตต่อตัวเองแล้วพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้าและอาภัยให้แก่พวกเจ้าแล้วบัดนี้พวกเจ้าจงมีเพศสัมพันธ์กับพวกนางได้ และแสวงหาสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดและจงกินและดื่มจนกระทั่งเส้นขาวจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำเนื่องจากแสงอรุณและพวกเจ้าจงให้การถือสนล ด, ดครบเต็มจนถึงพระพร่ำและพวกเจ้าจงอย่ามีเพื่อสัมพันธ์กับพวกนางขณะที่พวกเจ้าเกียติกาฟอยู่ในมัสยิดนั่นคือบรรดาขอบเขตของอลัลลอฮ์ ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้นในทํานองนั้นแหละอละัลลอฮ์ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้ ย, เยำเกรง ลิ ال ال และพวกเจ้าจงอยากกินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระว่างพวกเจ้าโดยมิชอบและจงยาจ่ายมันให้แก่ผู้พิ่ภากษาเพื่อที่พวกเจ้าจะกินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยการทำบาป يسألونك عن أهل الله قل هي م و ا ق ي ت للناس والحج وليس البرض بأذ ت ا ل بيوت من ظهورها و ل ك ه ن البرض من ا ت ق ا ء وأت بيوت من أ د و ا ِ ه ا واتقوا الله لعلكم تفلحون.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 และพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ الل และวพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางขอร้อง aha, ต่อบรรดาผู้ที่ทำร้ายพวกเจ้าและจงอย่ารุกรานแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน وقتلوهم حيث ت ق ت م م ه م وأخرجهم من حيث أخرجكم و والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.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 และจงสู้รบ ก, กับพวกเขาจนกว่าการตั้งภาคีต่อรถจะไม่ปรากฏขึ้นและจนกว่าศาสนานั้นจะเป็นไปเพื่อ Allah เท่านั้นแต่ถ้าพวกเขายุติก็ย่อมไม่มีการเป็นปฏิบักษ์ใดๆนอกจากแก่บรรดาผู้อธรรมเท่านั้น الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا وا ان الله مع المتقين เดือนที่ต้องห้ามนั้นก็ด้วยเดือนที่ต้องห้ามและบรรดาสิ่งจําเป็นต้องเคารพนั้น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 اللَّهَ และพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางขอร้อง الله, และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าลงสู่ความพิน้าและจงทำดีเถิดแพ้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้กระทำความดีทั้งหลายมมลวَ أ َ ت ِ م ดีเ ا ิดแพ้จริงอัลลอฮ์นั้นทรง ل อบผู فإن أ ح ص د ت م فمستيسر من الهدى ولا تحلق و ا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رؤسه فتديه ف ت د ي ا من صيام أو صدقة أو نسك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 แล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยหรือที่เขามีสิ่งก่อความเดือดร้อนจากศรีรษะของเขา mm. ก็ให้มีการชดเชยอันได้แก่การถือสิณดหรือการทำหากหรือการเชื่อสัตว์ขณะที่พวกเจ้าปลอดภัยแล้วผู้ใดสแสวงหาผลประโยชน์จนถึงช่วงของหัด้วยการทำอุมร้องแล้ว mm. ก็ให้เชื่อสัตว์พลีที่หาได้ง่ายผู้ใดที่หาไม่ได้ก็ถือสิดสาวันในระหว่างการทาหัก และอีกเจ็ดวันเมื่อพวกเจ้ากลับบ้านแล้วนั่นคือครบสิบวันดังกล่าวนั้นสำหรับผู้ที่ครอบครัวของเขาไม่ได้อยู่ใกล้มัสยิดฮารอและพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิดและพึงรู้ด้วยว่าแพทยจริงอัลลอนั้นเป็นผู้ทรงลงโทษทดุนูนาจจมมะ فَمَنْ فَرَضَ ف ِ ي ه ِ ن َّ ا ل ْ ح َ ج َّ فَلَا ر َ ف َ ث َ وَلَا خُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ا ل ْ ح َ ج ّ وَمَا ت َ ف ْ ع َ ل ُ و ا مِنْ خَيْرٍ ي َ ع ْ ل َ م ْ ه ُ اللَّهُ و َ ت َ ز َ و َّ ز ُ و ا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ ا ل ت َّ ق ْ و َ ى و َ ا ت َّ ق ُ و ن ِ ي َ ا أ ُ و ل ِ ن الْأَلْبَابِ. وَلَا تَمْحَجْنَا الْعِدْلَ مِيُّ อันเป็น ท, ที่ทราบกันอยู่แล้วดังนั้นผู้ใดที่ได้การทำพัดจําเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้นก็ต้องไม่มีเพศสัำถัน์และไม่มีการละเมิดและไม่มีการวิวาสใดๆในเวลาทำพัดและความดีใดๆที่พวกเจ้าได้กระทําแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดีและพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถิดแท้จริงสเบียงยที่ดีที่สุดนั้นคือความจําเกรง <تصفيق> ليس عليكم جناح أن تبتغوا غلا من ربكم فإذا أ خفتم من عرفات خذووا الله عند المشاعر الحرام وذكروه كما د ا ك م وإن كنتم ดีนไม่มีโทษใดๆแต่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าสแสวงหาความกรุณาอย่างหนึ่งอย่างใดจากพระผู้บาญของพวกเจ้าท่านเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอาราฟะแล้วจงกล่าวดำลึกถึงอัลลอฮฺนะมัสอาลิฮรอและจงกล่าวดำลึกถึงพระองค์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 พระจริงอลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ فإذا قضيتم الناسككم فذكر الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرآ فمن الناس من يقول ر ب ن ت ي ن في الدنيا وماله في آ خ ر ة من خلاص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 โปรดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้และสิ่งดีงามในพารโลกและโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิดอุลาอินกะเลหุนนซีบุมมิมาเคนบวัลลอฮุส ريع الحساب ข้อเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับส่วนดีจากสิ่งที่พวกเขาได้สแสวงหาไว้ وَأَذْكُرُ اللَّهَ فِي <تصفيق> أ َ ي َّ ا م ر م َ ع ْ ذ ُ و ر َ ا ت ه ف <تصفيق> ا م َ ن ْ ت َ ع َ ج ل َ فِي ي َ و م م ن ف ل ا َ إ ِ ث م َ ع ل َ ي ْ ه و َ م َ ن ْ ت َ أ َ خ َ ر ف َ ل ا إِثْمَ ع ل َ ي ْ ه ِ ل ِ م َ ن ا ت َّ ق ى وَاتَّقُ ا ل ل َّ ه و َ ع َ ل م ُ و ا أ َ ن ك ُ م ْ إلَيْهِ ت ح ش َ ر و ن และพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ในบรรดาวันที่ถูกนับว้และผู้ใดรีบกลับในสองวันก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาและผู้ใดรั้งรอไปอีกก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาทั้งนี้สําหรับผู้ที่มีความยำเกรงและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและพึงรู้ด้วยว่าพวกเจ้าจะถูกนําไปชุมนุมอย่างพระ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال م لنمو ال ม, มนุษย์นั้นมีพูดที่คำพูดของเขาทำให้เจ้าพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และเขาอ้างอัลลอฮ์เป็นพยานต่อสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขา และขณะเดียวกันก็เป็นผู้โต้เถียงที่ชั ก, การชะ ก, กันยิงและเมื่อเขาให้หลังไปแล้วเขาได้เพียรพยายามในแผ่นดินเพื่อก่อความเสียหายในนั้นและทำลายทุตผลและเผ่าพัานธุ์ และอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหายและเมื่อค่าวแกเขาว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดความยิ่งในเกียร์ก็ยึดเขาไว้ให้กระทำบาปต่อไปสิ่งที่พอเพียงแกเขานั้นคือนรกยานนึ และแน่นอนมันเป็นที่หลับนอนอันเลวร้ายยิ่งและในมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ขายตัวของเขาเพื่อแสวงหาความพอพระทัยของอลัลละ แ ล, ละร้อนนั้นเป็นผู้ทรงปราณีแก่บรรดาปวงเบาทั้งหลายย่า أيها الذين บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมด และจงอย่าก้าวเดินตามบรรดารอยก้าวเดินของไชยตอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าแต่อนลุมมาจตุมบนาัลลัมูฟัลลัมูอันัลลอฮอซลฮะมแต่ถ้าพวกเจ้าหันเห อ, ออกไปหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้ว ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอั่นอทรงเดชานุภาพทรงปริชายาและพวกเขาไม่ได้คอยอะไรนอกจากการที่ a ล l a h และมาเลยกะ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 โทษ อ, อย่างบบ وا ชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลา และพวกเขายังเยอะอย่างบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วแต่บรรดาผู้ยำเกรงนั้นเหนือกว่าพวกเขาในวันปรโลกแล้วเราจะส่งประธานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่ปรุงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณคนับ فبعث الله ا ل ن ب ِ ي ّ ي ن مبشّرين و م ل ذ ِ ر ي ن و َ ن ز ل معهم الكتاب و َ ن ز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه. ولاختلاف ا فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات ب غ ي ا بينهم فهد ى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهزم من يشاء إلى صراط مستقيم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 หลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มายัางพวกเขาทั้งนี้เพราะความอิจฉาทิสยาในระหว่างพวกเขาแล้วล้อนั้นทรงชี้นำแก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงความจริงที่พวกเขาขัดแย้งกันด้วยอนุมัติของพระและล้อนั้นทรงชี้นำ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ي أ ت ك م مثلا ل ذ ي ن خلو من قبلكم م س ت ه م البأساء و ا ل ض ر ا ء وزلزلوا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 ได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้รับความหวั่นไหวจนกระทั่งศาสนาทูตและบรรดาผูา้ศรัทธาซึ่งอยู่กับเขากล่าวขึ้นว่าเมื่อไรแล้วการช่วยเหลือของอัลลอ์จะมีมาพึงรู้เถิดว่าการช่วยเหลือของอัลลอ์นั้นใกล้อยู่แล้วลู er ูนนมมาาิกอ ال ال พวกเขาจะถามเจ้าว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้างหมูมัดจึงกล่าวเถิดว่าทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไป ก็จงให้แก oh! ่ผู้บังเกิดเกล้าทุงสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดและแก่บรรดาเด็กกำพร้าและคนยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทำอยู่นั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้รู้ดีคุตบะอลัยคุมุลกิตาลวะฮูวะคุรุลละคุมวะซาอันเอครหูชียอูวะฮูวะขัยรุลละคุม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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من ا ل ق ت ل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عند ي ن ك م إن استطاعوا ومن ي ر ت ع د منكم عن دينه ف ي م و وهو كافر فأولئك เอุ عمال มฟวอา่อบุ ا آ رة, ออริฮุมริพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนที่ต้องทำการสู้รบในเดือนนั้นจงกล่าวถึงว่าการสู้รบในเดือนนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตในการขัดขวางให้ออกจากทางของอัลลอฮและการปฏิเสธศรัทธาต่อผู้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 อินนัีน ا น وا ذ أ ا ي ั آ วด و ا والذين ه ا ج ر ห ا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرضون رحمة الله والله غ ف ร ر ر ح ีมแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่อพยพและได้ต่อสู้ในทางของรอนั้นชนเหล่านี้นนแหละที่หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์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 ولا تنكح و المشركات ا حتى يؤمن و ا و ل أ م ت مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكح و ا ا ل م ش ر ك ي ن حتى يؤمن ولعبد ا و مؤمن خير من مشرك ولو أعجبنكم ه و ل ئ ك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة و ا ل م غ ف ر ة ب إ ذ ن ه و ي ض ي ن آياته للناس لعلهم يتذكرون. และพรงเจ้า جعلت نانا مع م ش ر ك ي า حتى ي ؤ م ن ธ ا และแน่นอน،ทา ا ห ا ن ت ا ี่ ر أ ة مسلمة، فهي أفضل من ا ن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 قل هو أ ذ م فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوادل ويحب المطهرين. แ <تصفيق> ล้วพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับ ประจำเดือนของสตรีจงกล่าวเถิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้โทษ ด, ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลหญิงในขณะที่มีประจำเดือนและจงอย่าเข้าใกล้านางจนกว่านานจะสะอาดครั้นเมื่อนางได้ชำระร่างกายสะอาดแล้วก็จงมาหานางตามที่อลัลลอฮ์ทรงชายพวกเจ้าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิด กลับเน้กลับตัวและทรงชอบบรรดาผู้ที่ทำตัวให้สาดนิซาอุมฮับทุลล์ุมเฟตุฮับะคุมอันนาชิคุมวัดดิมุลอันฟุซคุมวัดทักอลลอฮ์วะกลัมุอันนักุมุลาห์ฮวะบัชรลมุนนนบรรดาหญิงของพวกเจ้านั้น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 และในการที่พวกเจ้าจะประนีประนอมระหว่างผู้คนแ ล, แล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิง่งและอ้ายบะอไม่ลสลอัลลอฮจะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยคำพูดพล่อยๆในการสาบานของพวกเจ้า แต่ถ้าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยการสาบานที่หัวใจของพวกเจ้ามีจุดมุ่งหมายและลอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอาภัยโทษผู้ทรงขันติสำหรับบรรดาผู้ที่สาบานว่า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 والمطلقات ََُْ يتربصن ََْ بأنفسهن ُِِِ ثلاثة تقول ُ ولا يحل َِ ل َ ه ّ أن ي ك ْ ت ْ ن ما َ خلق َََ الله ُ في أ َْ ح َ ا م ِ ه ِ م ولا يحل لهم أن ي ك ت و ن ما خلق الله ف ي ن أرحامه إن ن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و ب ع و ت ه ن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا และบรรดาหญิงทีท่ถูกอย่างพวกนางต้องรอพอยตนเองสามตุรุและไม่อนุญาตให้แก่พวกนางในการทีท่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ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 และสำหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือกว่าพวกนางขัานหนึ่งและอร น, นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาอัลตลาคมัลรตนฟอิมซาคุบิมัรูฟินอวตทสรีพบีอิฮซาน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 ในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้แก่พวกนา้คือมหัศนอกจากทั้งสองเก่งว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้เท่านั้นถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะไม่ดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอ์แล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นามใช้ไทยตัวนาเหล่านั้นแหละ คือขอบเขตของอลัลลอฮ์พวกเจ้าจงยางละเมิดมันและผู้ใดละเมิดขอบเขตของอลัลลอฮ์แล้วใส่ชนเหล่านั้นแหละคือผู้อาธรรมแก่ตัวเอง فإن ق ل ق ه ا فلا جناح عليهم أيّ يتراجع إن ظنّا إن ظنّا أ ن يقي ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها ل ق و م يعلمون. ت <تصفيق> ้ ا หากพวกเขาได้ยานา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 وَإِذَا ق َ ل َّ ق ُ و ْ ه ُ ن ِّ س َ أ َ ف َ ب َ ل َ غ ْ ن َ أَجْلَهُنَّ فَأَنْسِكُهُنَّ ب ِ م َ ع ْ ر ُ و ف ٍ أَوْ سَرِحُهُنَّ ب ِ م َ ع ْ ر ُ و ف ٍ وَلَا تُنْسِفُهُنَّ ض ِ ر َ ا ر ا ل ِ ت َ ع ْ ت َ د ُ و ا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَمَنَكْ س َ ه ولا تتخذوا آيات الله م ز و ا و ا ذ ك ر و ا ن ع م ة الله ع ل ي ك م وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ع ظ ك م به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لما هو حجة يا عبدا حنيا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 وَإِذَا قَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا ت َ ع ْ ذ ُ ر ُ ه ُ ن فَلَا ت َ ع ذ ُ ر و ه ُ ن َّ أ َ ي َ ن فِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا ت َ ر َ ا ض َ و ا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يغض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم ز ك ا ل ك وأ وأ م وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. แล้เมื่อพวกเจ้าได้ยาัำยาแล้วนางเหล่านั้นได้ถึงกำหนดเวลากิดดชของพวกนางแล้ว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 الوالدات يغضن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أيه تم ا ل ر ض ا ع و ع ل ى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف لا ت َ ل ف نفس إلا وسعها لا تضاب ضواذة ل بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أ ر ا د ا ك ص ا ل ا ع ن ت ر ا ض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. و إ أ َإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوحِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ และ <ت> ม <ص في> ัน <ق> ดาทางลายนันเชื่มแกันลูกๆ เป็นระยะเวลาสองปีเต็มสำหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้หนึ่งและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเครื่องลุ่มห่มของพวกนานโดยชอบธรรมไม่มีชีวิตใดที่จะถูกบังคับนอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถมาดาก็อย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามี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 ย้ามีแม่นมขึ้นแก่ลูกๆของพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมและจงยังเกรงต่อลอเถิดและพูนทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 ل ولا جناح عليكم في ما عرضت به من خطب النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سر إلا إلا أن تقولوا ق و ل ا م ع ر و ف ا ولا تعزموا عقدةً لك حتى ح يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذر و ه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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض و لهن فريضة ومتاعهن على الموسئ قدره وعلى ا ل م ق ت ِ ر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าถ้าพวกเจ้าอยาพัา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 وَإِلَّا قَلَّتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ف َ ل ِ ص مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا إلا أ ن يعفون أو يعف والذي بيده عقدة النكاح وأن ت ع ف و أقرب ل ل ت ق و ى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. และถหาพวกเจ้าอยาพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะะต้องา โดยที่พวกเจ้าได้กำหนดสินสอดแก่นางแล้วก็จ้งให้ขึ้นหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดไว้นอกจากว่าพวกนานจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขาจะยกให้และการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่าและพวกเจ้าชงอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้าแท้จริง a ล l a h ส่งเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและพวกเจ้าจงรักษาบรรดาละหมาดไว้และละหมาดที่อยู่กลางกลางจงยืนละหมาดเพื่อรอโดยนอบนอ้อม ถ้าพูกเจ้ากลัวก็จงเดินละหมาดหรือสีพานะขันเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงรำลึกถึงอลัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเจ้าสิ่งซึ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน والذين ي ت و ف ّ و ن منكم ويذرون أ ز و ا ج ا وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرج ن َ ل ا ج ن ح َ ع ل ي ُ م فيما فعلن في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم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 ผู้ปรายและสำหรับบรรดาหญิงที่ผูกอย่างนั้นจะรับสิ่งอํานวยประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิเหนือผู้ยังเกรงทั้งหลายค ในทํานองเดียวกันนั่นแหละอัลลอฮ์ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเจ้าทราบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใ จ, าจร เจ้าน no ouais. ี่ได้มองดูบรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาดอกหรือทั้งทั้งที่พวกเขาเป็นพันพันคนทั้งนี้เพราะกลัวความตายแล้วเราก็ได้ประกาศสิบแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงตายเสียเถิดภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่แท้จริงการ น, น, นั้นทรงมีบุญคุณแก่มนุษย์แต่เพราะว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณพระองค์และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของล้อเถิดและฟุรทราบเถิดว่า แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้มีใครบ้างไหมที่ให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีแลวพระองค์จะสรงเพิ่มภูนีนั้น ให้แก่เขามากมายหลายเท่าแล้วล้อนั้นทรงกำไว้และทรงแบออกและอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอออด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 فَلَمَّ أ ك ْ ت َ ب َ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ามุฮัมมัมิได้มองดูพวกหัวหน้าในหมู่วงวานอิสราเอลหลังจากที่มูซาได้จากไปแล้วดอกนขณะที่พวกเขาได้กล่าวแก่นบีของพวกเขาคนหนึ่งว่า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 قالوا أن ا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم ي ؤ ت س ع ت م ن المال قال إن الله ا ص ط ف ا ه عليكم وزاده ب س ط ة في العلم والجسم والله يعطي ملكه ما يشاء والله واسع عليم และนบีของพวกเขาก็กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จีอลัลลอฮ์ได้ส่งส่งตอลุตมาเป็นกษัตริย์แก่พวกเจ้าแล้วพวกเขากล่าวว่าเขาจะมีอำนาจเหนือพวกเราได้อย่างไร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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه هي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى و آ ل هارون และนบีของพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริสัญญาณแห่งอำนาจของเขานั้น คือการที่หีบใบนั้นจะมาอย่างพวกเจ้าในหีบนั้นมีความสงบจากพระผู้บานของพวกเจ้าและมีส่วนที่เหลือจากสิ่งที่วงวานของมูซาและฮารูนได้ละทิ้งไว้โดยที่มาลัยกะจะแบกมาแท้จริงในเรื่องนั้นมีสัญญาณหนึ่งแน่นอนสาหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้สัน فَلَمَنَّا تَصَلَّ طَالُوتُ بِالْجُلُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ م ُ ز َ د ِِّ ك ُ م ْ ب ِ ن َ ه َ ا ر ف َ م َ ش َ ر ِ ب َ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَقْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ ي َ ق ْ ت َ ر َ ف َ غُرْفَةً بِيَدِهِ ف َ ش َ ر ِ ب ُ و ا مِنْهُ إلَّا ِ قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ و َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَا قَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ ب ِ ج َ ا ل ُ ت َ ج ُ ل ُ ه ُ م قَالَ الَّذِينَ ي َ ظ ن ُ و ن َ أ َ ن َّ ه ُ م لَا ق ُ ل ل َ ا ه ِ ك َ م م ِ ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ คันเมื่อตอร์ลุตได้นำกำลังทหารออกไปเขาได้กล่าวว่าแท้จริงอ่ลเหรจะเป็นผู้ที่ทดสอบพวกเจ้าด้วยแม่น้ำสายหนึ่งผู้ใดดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นเขาไม่ใช่พวกของฉัน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 และไร่พลของเขาได้บรรดาผู้ที่เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะได้พบกับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ากี่มากน้อยแล้วพวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ด้วยอนุญาตของอัลลอฮ์อัลลอ์นั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลายวลลมบรรริดอ และเมื่อพวกเขาได้ออกไปเผชิญหน้ากับยาลุดและไร่คนของเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้มพระบารของเราโปรดประทานความอดทนให้แก่พวกเราด้วยเถิด และโปรดให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดช่วยพวกเราให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธสกาทั้งหลายฮะฮะจมูฮูบิอิดนิลลอฮฺ وقَتَلَ د َ ا و ُ د จ جَالُوتَ و َ أ ت َ ا ه ُ ا ل ل َّ ه ا ل م ُ ل ك َ و َ ا ل ْ ح ِ ك ْ م و َ أ ت َ ا ه ُ ا ل ل ه ا ل م ُ ل ك َ و َ ا ل ْ ح ِ ك ْ م ََ و َ ع َّ م َ ه ُ م ِ ن ي َ ش َ วล ولادفعالله الناسبعضه ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو قدر على العالمين แล้วพวกเขาก็ยังความปราชัยแก่พวกนั้นด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และดาวูดได้ฆ่ายาลุตและอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจและความรู้แก่เขาและทรงสอนเขาจากสิ่งที่ปรุง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 นั่นแหละคือบรรดาองการของอัลลอฮ์ซึ่งเราจะอ่านองการเหล่านั้นให้เจ้าฟังด้วยความจริงและแท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งในบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายจิลกัสลุัซลบกดัรบดับาด้เนดาอจาบาด้รัอดัาบานดมรันัคนัเขัอนัน่อาวเรัา่อาบาด้รัดรจาดรจา وأتينا عيسى بن مصيما البينات و َ ي د ه به روح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر บรรด า, าศาสนาพูดเหล่านั้นเราได้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนในหมู่เขานั้นก็มีผู้ที่อัลลอฮ์ตรัส ด, ด้วยและได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้นและเราได้หลักฐานอันชัดแจ้งแก่บุตรของอีซา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 แ ت ่ทว الله نس ่ง م ระ م ف ي ามที ر พร يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة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 ว่ ولا ي ي ي ا ي ะยุหิทุล์ بشيءٍمنعلميهإلابماشاءواسعةبصريهالسمواتوالاَرضولا ا يؤودهوحبهماوهوالعليمالعظيمAllah นั้นคือไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็น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 ไม่มีการบังคับใดๆในาศาสนา伊斯兰แน่นอนความถูกต้องนั้นเป็นที่กระจายแจ้งแล้วจากความผิด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 والذين كفروا أولياءهم الطغوت يخرجونهم من النور ل ى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون a l l <ت> a <ص> น <في ق> ั่นคือผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาโดยนำเอาพวกเขาออกจากความมืดสู่แสงสว่าง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 جَاء إبراهيمَ في رَبِّهِ أن آ ت ا ه ُ اللهُ ا ل م ل ك إذْ قَالَ إ ب ر ا ه ي م رَبِّي الذي يحيي و َ ي م ي ت قَالَ أَنَا أ ُ ص ي و َ أ م ي ت قَالَ إبراهيمُ ف َ إ ن َّ اللهَ يَأْتِي ب ِ ا ل ش َّ م ْ س مِنَ ا ل م َ ش ْ ر ق ِ ف َ أ ت ِ ي بِهَا مِنَ ا ل م غ ْ ر ب ِ เฝ้าศิบิฮ่าในมะ uh กริฟับุฮิตา الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين มุ hammad เจ้าไม่ได้มองดูผู้โต้แยง้งอิบราฮีมในเรื่องของพระผู้อภิบาลของเขาหรือเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจแก่เขาขณะที่อิบราฮีไมได้กล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันนั้น คือผู้ที่ส่งให้เป็นและส่งให้ตายแล้วเขากล่าวว่าถ้าก็ให้เป็นและให้ตายได้อิบรีมกล่าวว่าที่จริงอัลลอฮ์นั้นทรงนําดวงอาทิตย์มาจากทิศตะวันออกและจงนํามันมาทานทิศตะวันตกเถิดแล้วผู้ปฏิเสธศรัตนั้นก็ได้รับความง ม, มและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงประทานแนวทางอันถูกต้องแก่ผู้อาธรรมทั้งหลาย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 قال بل دفتم أطعم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم ن س و ه ا لحنا ฮะนั้นมาเธบายัลละหูคาลอ่าลมอันง нال ล้าหาล่าคุลเช ир อดีรหรือเช่นผู้ที่ได้ผ่านเมืองหนึ่งโดยที่มันทางทัพลงมาบนหลังคาของมันเขาได้กล่าวว่าอัลล่าจะส่งให้เมืองนี้มีชีวิตขึ้นได้อย่างไรหลังจากที่มันได้ทางพินาดไปแล้วและอัน ล, ล่าก็ส่งให้เขาตายไปเป็นเวลาร้อยบี ภายหลังพระองค์ทรงทำให้เขาฟื้นคืนชีพพระองค์ทรงถามว่าเจ้าพำนักอยู่นานเท่าใดเขาตอบว่าฉันพักอยู่วันหนึ่งหรือบางส่วนของวันเท่านั้นพระองค์ทรงกล่าวว่านี่ได้เจ้าพักอยู่นานถึงร้อยปีเจ้าจงมองดูอาหารของเจ้าและเครื่องดื่มของเจ้ามันยังไม่บูดเลยและจงมองดูลาของเจ้าสิ เพื่อเราใช้เจ้านั้นเป็นสัญญาณหนึ่งสําหรับเรุและจงมองบรรดากระดูกเหล่านั้นดูว่าเรากําลังยกมันไว้หน้าที่ของมันและประกอบมันขึ้ น, นแล้วมีเนื้อหุ้มห่อมันอย่างไรครั้งเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้ประจักษ์แก่เขาเขาก็กล่าวว่าฉันทราบแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي َ كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى و َ ل َ كِبْلِيَ ط ُ م َ ئ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ ف َ ص ُ ط ْ ح ُ ن َّ إِلَيْكَ ثُمَّ ج َ ع َ ل ْ ن ا عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا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 พระองค์ตรัสว่าเจ้าไม่เชื่อดอกอิบุเรียกล่าวว่าหาไม่ได้แต่ถ้าว่าเพื่อหัวใจของฉันจะได้สงบพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมาสี่ตัวแล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าและสับมันเป็นท่อนๆภายหลังเจ้าจงวางส่วนหนึ่งไว้บนภูเขาทุกลูก แล้วเจ้าจงเรียกมันมันก็จะมาอย่างเจ้าโดยเร่งรีบและพึงทราบเพิดว่าที่จริงแล้วนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชายมัทรุลลดีนยุนฟิตูนอัมวาล هم ฟิสบีฟิลล้าฮิกะมัทริฮับบ อุปมาบรรดาผู้บริจาคทรพของพวกเขาในหนทางขอรอนั้น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 الذين ي ن ف ق و ن أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أ ذ ا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ب ن د ا و براءة صاحب ของเขา في نفقانه.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 คำพูดที่ดีและการให้อภัยนั้นดียิ่งกว่าทานที่ก่อความเดือดร้อนติดตามมาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมัง่งคั่งผู้ทรง نحن ننسمع يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و ا ل َ ذ ك الذي ينفق كالذي ينفق ماله ل آ ا س ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. และัลุ่กมาิซวนัอยู่ทุรว์ฟ์ فأصابه وابل فتركه صلدا لا يحضرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين อบบรรดาผู้ศราทั้งหลายจงอย่าให้บรรดาทานของพวกของเจ้าไร้ผลด้วยการน้เลิก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 แล้วล้อนั้นไม่ส่งให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา وتثبيتم من أنفسهم كمثل جنة ب ر ب و ة أصابها وابل ف آ ت ت أكلها ضيع خ ي فأتت أكلها ضيع خ ل فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير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 فَمِنْهُمْ أَحَدُ الْعَالَمَيْنِ ۚ أ َ و ق َ ا ل ُ أ ََ ه ُْ أَحَدُ ا ل م َْ أَوَقَالُوا ََ ه ُ م َ ح َ د ُ ا ا م ن َِۚ و َ ل ُ و أ َ ن م ْ ن َ ح َ د ا ْ ع َ ا ب ت م َ ي ْ ن ِ ح أ َ ا ا ل ا أ َ ن ه ُ م ر أ ح َ د ُ ا ل ْ ع َ ا ل َ م ي ْ ن َِۚ ا ا ل ا أ َ ن ه ُ م ْ أ ََُ ا َ ا م ن ك ۚ ا ل ث َّ م ر ََ ا ت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 แต่แล้วได้มีลมพายุประสบแก่สวนนั้นซึ่งลมพายุนั้นมีไฟด้วยแล้วมันก็เผาหมอดไหมไปในทหนองนั้นแหละอัลลอฮฺจึงทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายให้พวกเจ้าทราบเพื่อพวกเจ้าจะได้ไขขุยดยาอเยห์เหล่าทีน่าอแมิอู ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمنوا الخبيث م ن ه توفقون ولست بآخذه إلا أن تمضوا فيه و ا ع ل م و ا أن الله غني حميد.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 พวกเจ้าจะหลับตารับมันไว้เท่านั้นและพุณทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้สรงมั่งคัง่งผู้สรงได้รับการสรรเสริชตนาน والله يعذكم مغفرة منه وتظلو والله واسع الرحيم ช่ตอนนั้นมันจะกูพวกเจ้าให้กลัวความยากจนและจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่วและอัลลอ์นั้นทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ซึ่งการอภัยโทษ และความกรุณาจากพระองค์และสิ่งอรอถนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้โยจิน حكمة ไม่ยาชาวไม่เอต الحكمة فقد أُتي خيرا كثيرا ولا يذكر إلا الألباب พระองค์จะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่รับความรู้แน่นอนเขาได้รับความดีอันมากมายและไม่มีใครจะรบกวได้นอกจากบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นม และสิ่งที่บริจาคใดก็ดีที่พวกเจ้าบริจาคไปหรือสิ่งที่บนบานใดก็ดีที่พวกเจ้าได้บนบานไว้นั้นแท้จริงอัลลอฮฺทรงรู้มันดีและสำหรับผู้ที่อาจทำทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ อินบดุศัตรกันถ้านีอิมาฮีว่าอินทขู่เขาว่าตุอเขูข้วฟ้าฟ้าฟ้าฟ้นฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้อฟ้าฟ้าฟฟ้าฟนาฟ้าาฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟาฟ้าฟ้าฟ้าาฟ้าฟ้าฟ้า้า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 ว่ามาตِุฟิก ا, إ م ม ن ْ خير ิ่นฟิลอันทุสิคุมว่ามาตุนฟิกุ่นอิลลัติกราอะวิห์ิลลาห์ว่ามาตِุฟิก ا م ม ن ْ خير ิ่นวัลฟ ك ُอิลَ أ َุมวُ م ْันทุมลْ ل ุ م ล و ن َหาเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าใหม่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 م ن قد تُوَبَّأَ تَعَادَلَ مَعَهُمْ مَعَهُمْ و َ أَنَا ن َ ا ل ْ م ُ ن ك َ ر ي وَمَا أَنَا م َِ ل ك ر ِ ي ن َ و ا أ َ مِنَ ا ل ْ م َِ ي ن م ا أَنَا م َِ ا ل ْ ي ن ْ ك َ ر ِ ي ع َ و ََ ا في ا م ِ ا ل ْ م ُ ن ْ ك ِ ي َ و ا أ َ ن ا م ِ ا ل ْ م َ ر ِ ي ع و َ ض َ ا ن ا ف ِ ا ل ْ م ُ ن ْ ك ر ِ ي ن َ وَمَا أ َ ا م َ ا ل ْ م ُ ن ِ ي َ ا أ َ مِنَ ا ل ت م ُ ن َ วท้การให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจำกัดตัวให้อยู่ในวนทางขอร้อ ง, องโดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปดินแดนอื่นเพื่อประกอบอาชีพได้ ผู้ที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขาเป็นผู้มั่งมีอันเนื่องจากความ ส, มสงบสงี่ยมเจียมตัวโดยที่เจ้าจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยเครื่องหมายของพวกเขาโดยพวกเขาจะไม่ขอจากผู้คนในสภาพเสาวซีและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าได้บริจาคไปนั้นแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งนั้น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 พวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขาณพระผู้อยบาลของพวกเขาโดยไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียชักิตลู้ที่กูนข้าวแล้วาม่ลุกูมูนแต่ะลากขึ้นเช่วเดียวกับผูุ้ี่ถูกซาตานลอลวงจากิ่งนันันเพุมกาลูอิน إنما البيع مثل ا ل ز ب ا ي وأحلا ل ل ه البيع وحرم ا ل ر ب ا فمن جاءه م و ع ظ ة من ربه ف ا ن ت ه ا فله ما سلف فله ما سلف وأنه إلى الله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 โดยพี่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาบบ ات, อลอรรอาจทะรงให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจำเป็แต่จะทรงให้บรรดาเป็นทานเพบมพูนขึ้นและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้เนรคุณผู้กระทำบา ถ้าจิงบรรดาผู้ที่ัธาและประกอบความดีทั้งหลายและดารงละหมาดและจาริกาอัน พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนนะ่พระผู้อภิบาลของพวกเขาและไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึ่งยังเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงงดดอกเบีย้ยที่เหลืออยู่เสียหากพวกเจ้าเป็นผูน้ศรัทธาแต่อิลลัมจะฟดจะนบิฮาริมินอัลลอฮิวะรสูลว่าอิทุบตุมแล้มรูสุอัมวานิคุมลาตุกลมูนวะลาตุบหมูนถ้าพวกเจ้ามิได้ปฏิบัติตามก็พึงรับรู้ไว้เถะิะซึ่งสงครามจากอัลลอฮ และศาสนาทูตของพระองค์และหากพวกเจ้าสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วสำหรับพวกเจ้าเขาได้ต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าคือโดยที่พวกเจ้าจะไม่อาธรรมและไม่ถูกอาธรรม。่ หากเขาลูกนี่เป็นผู้ยากไรก็จงให้มีการรอคอยจนกว่าจะถึงคราวสะดวกและการที่พวกเจ้าจะให้เป็นทานนั้นย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าดู และพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่งอางเอรเลาะในวันนั้นแล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้ขวนขวายไว้ ذلك ج م يا أيها الذين آمنوا إذا َ د ا ي ت و ن بينهم إلى أجل مسمّن فكتبوه و ل ي ك ت ب بينكم كاتب بالعدل ولا ي أ ت ب كاتب أي يكتب كما علمه الله ف َ ل ْ ي َ ك ْ ت ُ ب ُ وَالْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ و َ ل ْ ي َ ت َ ق ِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغَضْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ س َ ف ِ ي ً ا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أ َ ي ُْ م ِ ن ل ل َّ ه ِ و ََ ل ْ ي ُ م ْ ل ِ ل ْ و َ ل ِ ي ُّ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ ر ِ ج َ ا ل ِ ك ُ م ْ فإن لم يكن ر ج ل ِ فرجل و ا م ر أ َ ا ن من تضول من الشهداء أ ت ِ ل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دووا ولا ت س أ م و ا أن ت ك ت ب و ه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصى عهد الله و أ ق و م للشهادة و أ ق و للشهادة وأدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون ت ج ا ر ة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أ ل ا ت كتبوها وأشهد و ا إذا تبايعتم ولا يضار ك ا ت ب ولا شهيد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 และหากว่าพวกเจ้ากระทำแน่นอนมันก็เป็นการฝ่าฝืนด้วยสาเหตุจากพวกเจ้าและพวกเจ้าจงยังเครงอลัอลลอฮ์เถิดและอลัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่พวกเจ้าเส ม, มอและอลัลลอฮ์นั้นทรงรับรู้ในทุกสิ่ فإن أمن بعضه بعضاً فليؤذ الذي تمن أ م ا َ ت ه و َ ل ي ت ّ ق الله ربّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آ َ ف ْ م قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَدِيمٌ. <تصفيق> และไม่พบผู้เขียนคนใดเลยก็ให้มีสิ่งคำประกันยึดถือเอาไว้แต่ถ้าบางคนในพวกเจ้าไว้ใจอีกบางคนผู้จะรับความไว้วางใจคือลูกหนี้ก็จงคืนสิ่งที่ถูกไว้ใจของเขาเสียและเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้บายของเขาเถิดและพวกเจ้าจงอยาปกปิดพยานหลักฐานและถ้าผู้ใดปกปิดมันไว้แน่นอนหัวใจของเขาก็มีบา لله ما في السماوات وما في الأرض وإلتبتوا ما في أنفسكم أو ت خ و ُ و حاسبكم بالله ف ي ْ ف ِ ر لمي يشاء و ي ع ض ب ُ م ي يشاء. อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮและถ้าหาพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าหรือปกปิดมันเอาไว้ก็ตามอัลลอฮจะทรงนำมันมาสอบสวนแก่พวกเจ้า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 านนรบซ่าตานรูนได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เขาจากพระผู้วิบานของเขาและผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ศรัทธาด้วยทุกคนศรัทธาต่อลอและมาลายกาของโพร และบรรดาคำพีของพระองค์และบรรดาศาสนทธูตของพระองค์โดยพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่แยกแยะระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดาศาสนาธูตของพระองค์และพวกเขาได้กล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้ปฏิบัติตามแล้วการอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนาโอพระวบาลของพวกเราและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเราจะกลับไป لا ي ُ ق ل ف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما ا كسبت ت ربنا لا تأخذنا إنسينا أو أ خ ط أ ن ا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 โอ้พระผู้วิบาลของเราโปรดเยาวโทษแก่เราเลยหากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไปโอ้พระผู้วิบาลของเราโปรดอย่าได้บรรทุกภาระหนักใดๆแก่พวกเราเช่นเดียวกับที่พรุงได้ทรงวรรทุกมันแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้วโอ้พระผู้วิบาลของพวกเราโปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งที่พวกเราไม่มีกําลังที่จะแบกมันได้